จะริ่ปฏิบัติทำสมาธิอย่างนี้ค่ะเปขั้นตอนอย่างไรบ้างเหน่าครับาจะเริ่มเหตุว่าสัตย่นพระบะน่ะก็ขั้นตอนก็ใบพระก็ทับลตัวที่่มีจมหันจมนีแล้วตั้งสติเ้ยผูเจ้าสอนยากนี่คนบางยากซิเด้งใจปงร่มขอออก่ายว่าันว์ไปปงกรรมฐานไป ไข้อ้อก็มาฐานขึ้นก็มาฐานไม่ว่าตีฐานที่ตั้งของสติคือร่มฐานที่ตั้งของใจคือร่มเพิงร่มเข่าร่มบอกพิธีกรรมไม่ญากจินเขาน่าง่งยากลัวอาหารใจง่ายง่ายแต่ว่าค้นเป็นบุเหตุปอาหารกายายากแต่ค้นมาเคล็ด แต่งกายยากคนมากแพดในหลวงควายตั้งแต่จงยินดีกับของได้พอใจกับของมีรู้จักคําว่าพอเพียงพอเพียงเพื่นผมดีๆคือไปแต่งไม่รูกหรานเสมือนขนตาดีๆก็ไปตอไหมขนขิ้วดีๆไปตอไหมดังดีๆไปตอไหมปากศพดีๆก็ไปเทปไหมปากดีเอาแข่วไปใช่ไหม เล็บเมือดีๆก็ไป็นตอไม่หลวงปู่บางเหมือนเพ่นเราเรยบผีมาใส่มาตอเขาตีนั่งว้าหลวงปู่เขาเห็นใจดีขึ้น อ, อย่างนี้ก็ปฏิติคุณเพราะว่าเขาเมื่อหลวงปู่ไปเจมิมเกรืองเห็ดผลเก็ดผมเห็ด เ, เ, เล็บเก็ดล้านผุนไหมว้าแตงหลายคนตีนั่งแพ่งคนกแพ่งตัว ก, กาจับขนเทียมยังสัน่นยังตีเห็ดขนแตงขนแ ต, ง น, แตงนั่นสิ บอเออหลวงปูง่เงินแต่ว่าขาดอย่างเดียวคือผู้เหตุนในคือสร้างถ้าคนตาปีหนึ่งเขาสร้างเหตุเ่าเป็นตาเขาบวมก็ขอให้ลใหลวงปู่แพ้ตาหลวงปู่แก้เขาฟ้องร้องแก่เขาฟ้องก้อน้อยเด้อตัวคนก็าฟ้องมันก็เสียเหตุ น, นั้นปรได้แล้วโอ้แมน่นบ่ละ่ะร้านนี้สร้างเป็นช่างไม่ดีเลยทําให้ตาสันเสียหายนั่น เดี๋ยเห็นเสียเพี้ยเพี้งเข้าไปตรงนี้จังเห็นทุีแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางอื่นก็าจะฟังหรือดี๋ยันปุ๊บมันนพูดจังจำว่าว่าสาธุประเด้๋ยวแครนั่นว่าจิฟังเขาดีจูมืงเนี่ยวาอยู่สเห็อยู่สก็ต้องยืนเหมือนเดี๋ยวหลวงปู่กเต็มปากเต็มข้อพอวันยังว่าผิดทำอย่ไรเอาสอนบุ้ลมหายใจออกผิดทำขวาเด เพรเด็ไปเพ่งเพ่งพุ่นเพ่งพี่คือพู่งกันนี่บ่ไปฟพ่งฟ้าบังองศอนี่เพ่งฟ้าผลตัวบางองศานี่เพ่งแสงนั่นแสงนี้ไปผลตัวไปเพ่งอย่าอกนอกกายไปแล้วมันเสียหายตัวเดี๋ยวก็สมาธิพ่ะท่านไปเห็นแสงเกิดกลมจากได้แสงไปอวดโม่นั่นไปแตกบอกก็ได้บมดจากไรไรเอาแสงคลุกกระพถทธจับไสงกระพุทธแสงหลอกไหมนั่ขอบบ้านพ่นพุ่นว่าย่านี้เป็นบ้ามันจะแสงนึง เพราะวน้ำแสงมา น, นี้ตีวางเส้นติขันเขาตัวนี้ผลเสียมันหน่อยนอกแกเขาถืเผอไปท่านขันเขามาล้มนี่เพรีะมีควาสเสียนี่พอเขาอยู่กับล้มแล้วมเบางอย่างเน่อุลนเอาแม่นว่าละถ้าบนมีล้มใจหนีเราตัวนั้นอย่างว่าบางหล่ะมีบางอยังผมขนเด็บฟันหนังราคาตัวอะไรมาปกมาแดงหามาตัวอะไรก็บพ่พ่อเนี่ยนี่สิบก้นโทรศัพท์จะเคียง เดี๋ยวเดือนนี้มีหัวอื่นมาแล้วเหตุใดก้อนนั้นเนดือนนี้เหตุนี้จักรยานมีจักเครื่องรถเซ่ยมีจักรหนีหอ้อรถเบนมีจักรหนีหอ้อรถปิกอัพรถเก่งมีจักรี่หอ้อไปโบ๊แดงโบเะคีขับบ๊เป็นหนีโบ๊ะคีอยากทาไ่ ไปหายพระกับไปเอาติมือไ ป, ปก็บว่าอะไรลุงปถูถวายนั่นถวายนี่เฮ็ดอ้พระลาบากไปยังเอามาถวายยังทำบุญลงปูทำบาปลุากูบาตัวเฮ็ดไอ้พระลาบากหมไปโกงแทบเรอบขั้นเดียวกับมาปะไไปพากันทาน่านยังก็รอดแต่เดือน้ว่าแต่พท่านกตัณหาคือเพาท่านท่านควาหลักควมโลก ก็เพาะนั่นเองเพเห็นบาปเพเห็นบุญหากการเบิงใจเพราะจะกอบุญจะเสียบุญกับบุญคือเอาของถบายพระตินั่นต้องสบายแต่บ่งชว่านี่หลายผูพระโอ้ยเอาไว้คนมาบูชากระสังกระถานก็ดีตัวสันตินั่นเห็นว่าล่ะคิดไปเลยนอกจากถิ่นท่ำไปเราได้บนี้พระเจ้าห้ามพระสงฆ์ทำการซื้อขายเขาไม่ได้ซื้อขายให้เขาบูชาคําเพียนวอกไปดี เจ้าของแตงเอาก็คือเอาปัจเจใส่ซองใส่ยามพระนี่แล้วเขามาใส่ซองมาให้ฉันไม่ถือเงินเห็นว่าจะดสวายยังพระหาซองมาซองเป็นอย่างยู่ในซองที่เป็นสิทัว่าเจ้าของอะไรจากไหนความลับมันมีในโลกเข้าใจว่าคาของพวกเจ้าฉันไม่ถือเงินถือซองเสื้อนั่นฉันไ่ได้ถือใส่ยงามเสื้อนั่ นังได้งามมอ้องท่สอาดจนได้สร้างมวห้องท่สอาดจนย้ามที่ไปจีตัวจะคว้างได้ด้ยคนเสืรอพวพเจ้าความลับไม่มีในโลกตนนั้นแรงไม่ได้พึ่งของตนตนเตือนตนไม่ได้แค่เล่าจะเตือนดีบริรูปขดมือห้อยของปูสมุนขดอื่นสอนไหนเกิดมือหัวโตสอนโตทาเบาจังได ผ้าสาบานเอาโตสอนโตเหต็นเอาจังไดเพระท่านผู้เจ้าผ้านางสมาธิมดแต่ตาตุลูมัดเป็นสอนแล้วให้ไปเหตเองบังคับเจ้าของเองคล้วยว่อยากกินหยาแสนติคมกับเขาหักหมูว่อยากกินห่ำแสนติดตีกระดังเวอร์อันนี้การล็อกปูบังคับนี่ก็ะเขียดที่ลงังก้นเฮ้ยจะไมาเห็นยังพา้าผ้านัางโดนเก็บแขนเก็ บ, กบขาไปไหนเสียเศ้า นั่นเห็นบ อ, อกใจมันไปสู้กันดิเพราะฉะนั้นนั่นแหละเขาคของคุณเจ้าตนนั่นแหละไปเพิ่อของตนไปเพิงเจ้าของไปบังคับเจ้าของเองนั่นเด็กคู่บาอาจารย์พระ บ, บัาบางคับพระบังคับตามเวลาตอนนั้นตอนนี้ใจบอลลมอันใจบอลมรก็ไปว่า บ, ม, าา บ, าบม่มีศรัทธานั่นแหละแปลว่าบังคับหมูไปอยากจะนห้าแสนบังคับหมูมันก็ตีทะเลก็ดังเวอร์ขึ้นา กลวยเพราะอยากกินหาแสนจิตเาอยากกินหน่าแสน จ, จิตคมข้อกล้วยลงไปเขาหักซือ่อแล้วตนเพราะอยากนี่คือกันเริ่เพราะอยากำาทำสมาธิไปบังครับนั่นลหละเขาทำนองที่สรุปแล้วตนนั่นแรลเป็นติพึ่งของตนตนเตือนตอนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนนี่ผู้เหตุวะลบผู้บอกวันนั่งหนึ่งหน้าที่ถุกมือมือละหนึ่งหน้าที่ มื่อหนึ่งไม่จังนาทีเอาให้อาหารใจหนึ่งาทีเป็นอยังเห็ดผ่าได้มันว่ถือใจหลวงพูดหลวงพูว่าจกินเขานั่งหนึ่งนาทีผ้าได้ยินดีอยงแรกติแปเอาพระพุทธเจ้าหาถ้าแทบลบแทบตายอย่างที่เห็ดผ่าได้เนี่ยโอ้ยหลวงพ่อกิเงแล้วเว้ยสไปเห็ดน้ำไดบ้าพระพุทธเจ้าหาสิ่งทำมาสอนคนเป็นคนออกไป เจ้ากรรมในเว้นจะไปควายถามตาใ จ, าจาตั้ง อ, อกตั้งใจว่าจะไปทําบุญเหมือนพระพุทธเจ้าพบพระพุทธเจ้าพระ เ, เจ้าสอนแล้วทําบุญไหมยายเห็นสวรรค์ไหมยายเขายังตอบพระเจ้าไปเพราะเคยเบิ่งเพราเคยเห็นเพราะเคยเห็นตอบเขาว่ได้เน่ตอบเข่ได้ได้มาจากเมืองไหนมาจากเมืองนรกไปได้ไปเมืองนรกเถียงว่ได้ได้ใจอ่ะ โบมีกายดิภาพไร้สาดใดดิดกรรมมูนาวาตัตถีโลโกสัตว์รอดเป็นตตามกรรมเจ้ากรรมในเวท น, นั่นเห็นบะกรรมที่ตนยังทําไว้นั่นละ่ะโบเคยเบืองบุญเจกเที่ยกับหูจักบานไดบันโบจักทั้งไปสวรรค์กับเขาก็ไล่ขึ้นไปท่านตัว่ปไปไปสิสิสิไปได้เออโบเคยเห็นน่ะเจ้ากรรมในเวทเขาดัดดัดททังแยกไปสวรรค์ก็ปนนกคือเขาบอกกันนันนึว่าพระยาด้มพิบาลนะนั่ น, น, นในตำรานี่ท่าน มันว่าเป็นธรรมะเขากอมาแปลละเอียดก็ไปก <femme> ็นี่กับกรรมตัวนี้แล้ว <Bir> มันเขาเป็นไปโอ้ยผมไมีดอกว่าเล่นว่าหัวปล้ำปะละไปตันระมันเด็กันใจของเหงาไปเห็นต้องใจก็ไปเห็นก็คนนี้ว่าไม่ริงนี่กรรมเสือไปกรรมมโนวัตติโลโก้นะกรรมยังมันเขาติกรรมเอาอย่างกรรมมาบุญนึกกรรมมาบาปที่สองกรรมหนึ่งกรรมบุญสองกรรมบาปหรือหนึ่งกรรมเดียวสองกรรมตัว เนี่ยวมีพิธีของพร้เจ้ามีพิธสัจจะพู้เจ้าเอ้ยเผนหา6ปีเมื่อทุดท้ายจิตตัตัรูคือเพิ่นได้สเสวยพระจาหานจากนั่งสุชดาแตอติฐานจิตไว้ธาครอบครัวมีความสุขควมเจ็นเป็นสุขตรร ม, มาหาเรียงชบพมู่คกัวะสขมีก้อนลูกหลานตามเกียตินาเอาไว้เกิดไปบนไว้สิตเป็นถวายของเทวดา มุธุปราชายืนี่ินก็เค้ยบนไวาหลมมีความล้มเย็นเป็นทุกตัวสบายก็ บ, ก บ, บอกคนใส่ไปทำค้ามสะอาดหองไม้นั่นแน่ที่ไปเอาข้าบนด้วยจะไปถวายคนใส่ก็ไปเห็นรูปพระพเจ้าตอนนั้นเมื่อไตรเป็นพระเจ้าเขาเป็นเจ้าท้ายสิิตาเป็นเพื่อออกบวชเยอะๆแสวงหาสินทัพเยอะอๆแต่วลาถมีฝนเป่งปังงามเห็นแล้วรูปเทวดาโอ้ยดี กับขึ้นไปบอกนั่งคุจด า, าไปเห็นแล้วไปเห็นแล้วป้าวเฮ็ดก็นั่งเข้าควนกุูุประญาตซึ่งว่านเขาเฮ็ดออกว่นานสะอาดนะควรเขาทิบเขาทิพนะมาจากคุณเ น, นี้ยได้เราก็ไปถวายพระเจ้ากนแสดงว่าเราไม่ใช่เป็นเทวดาอารักษ์ที่ไหนเป็นผู้แตแหวงหาสินธรรมเพื่อหาสินธรรม าหาทิ่งทำเห็นก็ต้องประกอบคุณมภาคภเพียนต้องทานอาหารหน้อยถ้าไปอดอาหารตายก่อนไม่ได้คุณไป้คั่นเทศจากนั่งชุดาก็แมนนี่เลยไปแสวยอาหารไปแน่เราปรกาได้ถาทองคําขอถาตทองคําติดนั่งชุดามาแตไ่ไหวขอไปเสี่ยงถาทองคำหน่อยนั่งชุดชากับคนไทยบริวารเกิดยืนเบิง้งผู้เจ้าไปเสี่ยงถาทองคําว่า แล้วตถาคตจะได้ตัดทะรู้หรือไม่ได้ตัดทะรู้ถ้าจะได้ตัดทะรู้ขอให้ถาดทองคำไหลทวนกระแสน้าถ้าไม่ได้ตัดะรู้ขอให้ถาดทองคำไหลไปตามน้าอธิษฐานจิตแท้นก็ปล่อยถาดถาดไหลทพื่กระแสขึ้นไปไปไกลเติบเกิดโยมดิ้งลงไปพอกพูดเมืองพระญาณนักแน่นหน่อยก็รับใส่พระเจ้าพระสงค์ พระหาล้อยเนี่ยหน่อยผู้เดียวปาฏนาเป็นผู้นอนดูถึงตัว่าตํา้นเป็นเนี่ยนน่อยลําบากลาบนไรองค์นั้นไส่องค์นี้ใสพระเนี่ยหน่อยพระหาลอยเนี่ยนน่อยผู้เดียวมัเป็นกคำเป็นเว้นเป็นน้อนอยู่พืนพ้นพระเจ้ามาตัดทะลูโอ้หมื่บ้านคือมาตัดทะลูองหนึง่งเมื่อ น, นี้คือมาตัดทะลูองคหนึ่งอีกหน่อนันน่นเห็นว่าตักพกระตะกับพระพิจารณาตัดลูเขียนเป็นมือห น, นึง่งวันนนอนพระเนยนอนใจอ่ะ เพราะฉะนั้นอนใจกีเราคนน้องนอนใจก็เป็นสั้นแล้วเพรเยาจะได้ทานเราก็ว่าเอเราจะได้ตาตุรูแนกเป็นมา้าเถอะึปนมากับมีม้านพ่หาอย่าฆ่าทิไปมุ่งเนี่ยมุ่ ง, งแท้มันว่าถามพูะเจ้าว่าพระคุณเจ้าหาอะไรหาสถานที่นั่งสมาธิภาวนานะเราไดขอแตา้วายสถานที่นั่งพี่น้องก็ไปหาที่ให้่างต้นพ่อเห็นเราหาเพิ่งทั้งได้ติบว่ามีแดดว่มี อันนั้นมากถ้าไม่แดดพ้อนแล้วก็กหาเแดดท่างได้ก็ปูอาฆาตั่งอธิษฐานคิดใจถ้าหากเราไม่ได้เป็นพระเจ้าวันนี้จะไม่ลุกหนีจากที่มันจะนั่งอยู่ที่นี่ถึงกว่าได้เป็นพระพุทธเจ้าจะตัตรูุผนได้ว่านั่นชัดเจนแน่นอันชัดจะอันเดียวเมื่อนี่จะนั่งสมาธิหนึ่งหน้าที่หนึ่งส่วนวงกว่าไปที่หรือเหนที่นั่งสมาธิทุกมือ่อจนกว่าเสียชีวิต มือละหนึ่งนาทีว่าให้ขาดแต่ว่าให้อาหารใจมือหนึ่งหนึ่งนาทีเองสิแม่รักษาใจมือหนึ่งหนึ่งนาทีมือหนึ่งจัดนาทีคิดเบางหนึ่งนาทีให้อาหารใจก็ได้กินในนังเขาจากไงได้เจ้าของแต่เราข้ดีๆย่องมันบริเวณกิเลกตัวน่ะขันดีแล้วฉันดีแล้วฉันดีแล้วไปนั่งทําไมเก็บแข้งเก็บขาดีแล้วมาเกิ ด, ดเซนยัง คนนี้ปัญญาคนนี้จะเป็นคาเกเลตอ่ะนั่นนี่ตัวทิขาดกิเลตถ้าดีแล้วมาเกิดได้หนังเพราะว่าคําสอนของผู้เจ้าสอนคนไหนปฏิบัติเพื่อพ่อห้มาเกิดคนน้องมะเกิดนั่นเพราะอะไรลรวยกับมาเกิดสวยงามกับมะเกิดนั่นเห็นเห็นร่มเขาไปละเอียดเขาไปเกิดความเพราะกันนั่งท่ายอยู่นี่ลำรวยกั บ, บ่มีอยู่ในหัวใจสวยสวยงามกับ่มีตัวมีตะวันสุ ข, ขตัวนั่น สงบชุกนั่นชุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นคําของพระเจ้าสรุปแล้วนั่น น, นี่พระเจ้าตรัสสรุปพระได้บอกพระพุทธเจ้าประจักรังครูจําเพาะตนทำมาเกิดขึ้นเมื่อนั่นแปกพิษแปกที่ผ่านมาบกขือทุกเทอยติผ่านมานั่นนั้นละเอียดไป็นเบปติกะปฏิประกาศ ต, ต, ต, ตนยังว่าเราได้ตรัสสรูปหมดแล้วการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอีกแล้วเนี่ย จนนั่งคุจราเที่ยวมาปฏิบัติประธากินกับโอ้ยดูกว่างมาเห็นก้อนรัศมีของพระเจ้าเดสอดรล้วใสเป็นมัดตนตัวิระด่างกายเป็นรัศมีมัดเนี่ยเมื่อกเพุ่ะบอกคเราคนปัดจัดตังรู้วจำพอเต็มคือพวกเขาเนี่ยล่ะผมได้เพิ่งเห็นรูเหนงินเต็ีว่าผู้อื่นมาฟังเขากบพระเจ้ยแล้วนั่นเพราะนพเจ้าเป็นท่านไวยระสงไปประกาศว่า ในสัตว์ลูกแล้วเป็นทังสั้นเป็นทังสี่ละก็จะตั้งรู้จำเพาะตนผููดูเห็นเองรู้เองเนี่ยะลุงพ่อไปบอกว่าสวรรค์เป็นสั้นที่ก ว, วนทีนนน่กิเลสละกันออเห็นสวรรค์จริงคือไปห่อไปหลวงปูนน่ว่าไปห่อไปวินตาบัดเมื้องนั่นเมืองนี้ไม่เบื้องนัคือพระบาหลคือพรเฮ็ดล่ะพู้เจ้าพระเฮ็ดตั้งแต่พระสาวกไปห่อเอาบาปในจันทร์พระเจ้าก็ ด, กดึงกันนี้หา้ามไม่ให้พระพิษสงรูปใดทําอีกต่อไป ได้พระสงฆ์ก็เอาจากุล้วมาเพื่แสดงอธิริต์อภินิหารนี่ยังมันทำให้การปฏิบัติธรรมบทต่อเ น, นื่องคนมาเบื้องเมื่อไรก็จะมาบอกห่อให้เบื้องแน่หอให้เบื้องแน่เอานันมันนี่มาอ้อยเห็นว่าได้ทําจิตว่าไปว่าจิตเสี่อมได้ผู้เจ้าเบื้องว่้สแสดงออกได้ปัจจตังรู้จำพตนถูกต้องว่น่พะพราะเพีย เพราะฉะนั้นหลวงปู่ยังกล้อาอยู่ที่รักจับก็ไปขึ้นรงขึ้นฐานค้องร้ อ, รองกับว่าได้ย่อมขึ้นโยกกับว่าหลวงปู่ว่า้จุดถูกจุเียนผิดสินทมขอไดหลวงปู่ว่าให้ตรวจน้ำผิดสินทมขอไดทำอะไรคำนึงถึงความได้อยากคำนึงถึงความเสีย น, นั่นเดี๋ยวคำนึงว่าบานได้หรือเสีย บนกับสิ่งักดิว่าทำสำเร็จแล้วจะไปแค่บนแต่ว่ายังไม่สะดวกไปเราจะเป็นบาเลยครับก็เป็นแล้วของศักดิ์สิ์ก็กกกอยู่กับว่าจ้าว่าจะเป็นศักดิ์ศกดิศักดิ์คุณให้เป็นผีบทีเป็นเทวดาอันบนแล้วก็ต้องทาตามบนได้หมดแต่รายังไม่สะดวกไปไปแไสะ ด, ด <c oughs> ะวกมันก็ดีปรนได็แล้ว ต้องตัดสินใจว่าสะดวกต้นตั ง, งังอธิษฐานที่อปไปอธิษฐานตะกอนเพาสะดวกมันค่าอย่างกับเอ้าถามก็ไปมันเ่าะสะดวกค่าอย่างถามจะได้ของแล้วอืมอืมเป็นเป็นแต่ของไกล พระเจ้าไปไปหาทำบุญําวัดนั่นนี่นทำบุญเรื่องหัวใจไปใส่กุ้งเขาไปหาพระเจ้าเป็นเพระเหตุไห้ด้ไม่ไปหาพระพระมันก็บอกสะสะเสียแล้วอุติเหตุเอาคือเฮาเด้ดด้อันเอาเข่ามาจริงจริงอ๋อปัจจุตังรู้จําพรตนเบื้งลมหายใจก็ออกติพิหาไปเบื้องที่นั้นวัดนังนแหละ ก, ก, ก, ก, การวัดพร้าเฮตุกติว่าพระทางนั่นทางนี้อีกไปจะมากกัไปตีพระอีกแล้วปะ ฟังผู้เจ้าเดี๋ยวแกจะไปฟังพระตัวล้มหายใจก็ออกลวพ่อก็เอาคําของผู to death, to death to death. So ้เจ้าและก็พ่อแม่หลวงปู่ผ้าหาคือพระพุทธเจ้าได้เห็นในหูแล้วมาบอกพระพุทธเจ้าพระอดก็อดพระอดสันก็อดสันพระอดนอนกอดนอนบางวันษาพอดีนอนตลอดทั้ษาตัวบางพรนษากินต่เข้ากับกล้วยนังตัดสินใจก่พอดีเข่าปลาพูดเดียวด้กระปวกสร้างพวกเสีย มันติว่างไลยเพรตายมาผลนี่พัานอยู่เลยตายเงินท่องคือภาคกว่ายนิ่งเอาคำพูดนิ่งทกคนตีได้ว่าเงินท่องมันจะไอวดวงไอยดวงซื่อเบิกจากท่อในปีต่อในสัปดาหก็ถือยาที่ตึงว่ากันหวังยิงสั่นแบบอันนี้เฉพาะผุนี่นะพูดดูรู้เองเห็นเองฟังรู้นี่จากเฉพาะกันอเบิงก็เห็นเลยเห็นลมเอาเราจะไปหาตับงผู้ก่อนดิ ว่ไม่หลวงปู่ห้ามว่ให้ไปด้มันก็มีสถานที่อยู่ก็การสบายยะสถานที่โดยเฉพาะของเรานี่สถานที่ดีตัวว่ได้ไปตีว่าเอ้ยอย่าห้องน้ําเอ้ยอย่าควาฟ้าว่าได้ไปว่ายก็เขาว่าตัวหลวงปู่ว่าไม่ห้องน้ำหลวงปู่ว่าไม่เอะตว่าอะไรก็แล้วไปอยู่กับบ้านบุญยังมัติว่าตัวยังเอกกิเลสเอาบางร่มหายใจก็ออกมัติว่างได็บังคับขอไปด้บังคับจะของนั่นต้นเตือนตนไม่ได้ข้าเราจะเตือน ว่ไปเตือนว่าได้รอตรงนี้จะพูดเจ้าเป็นว บ, บอกคนในเศ้าเมด่่ะน้องบกได้วันประเดศได้บอกบอ ก, กัอเสีาเขาต่อพุก็ทิพมาเเนเบืงต้มันคือค้าของพุเจ้าเพราะอะไรพุเจ้าสอนจังหนึ่งเหตุไปจังหนึ่งบ่กันคือข้ามของพุเจ้าเพเทศเระดาเาคิดมปนความขั้วเขาควัวเดียวกับพ่อแล้วกันคอาัวนี้เียงหา เรียบร้อยเทตุยังได้แตดวกเดี๋ยระบายซื่อสัตว์ซึ่งกันและกันครอบพวันนั่นเพราะโกหพวกร่วมปีนตอนหลอกล่วงครอบพวนันเปนครอบครัวของเทวดาหมู่บ้านเทวดาประเทศเทวดาหัวใจพวกพุ้มของเทวดาไปครูครับอยากให้ครูอธิบายสี่ประทานสนิดนึงน่นไม่วอาเรื่องปฏิยัติเขาไปอีกแล้ว ทฤษฎีอธิบายก็คือเก้าในตัวพวกขอวเม้าเบิงตัวนี้กายเวทนาจิตธรรมกายนกายอย่างนี้ยังไงนั่นเห็นกายในกายก็ว่าเพาเป็นของแต่ของแล้วเพราะั้นพา่กายเป็นของเท้าใดก็เป็นของเท้าไเป็นตายเป็นเปลนเถ่าเป็นแก่เป็นเหรทำไมต้องเป็นกายในกายไม่เห็นกยอย่านเใจเลีก็มาพิโรเลีรใจว่าพิสธมาที่เเช็ดไปทั้แล้ว ขาดจ้างเดี๋ยวภาคปฏิบัติของปูป่บริเลียนปฏิญัดเลียนไปกอเก่าของพวกเจ้ามาเลียนปาคทำเนี่ยภาคดูนี่เลี้ยนไปจบปตัตย์ไปจบเลี้ยนได้ทองได้แต่ว่าเบื้งล้มบอเห็นเบื้องลมบเ ป, ป็นขบวนทเจ้าปฏิทัทลกันเลียนเด้ปฏิัศน์ลกันแทตเด้ดทำไมบริเลียน ประโยคสาโยค ส, ส, ส, ส, สผู้เจ้าคุณถ้าหักไม่ได้จงเรียนพระกรรมฐานเด้จงตั้งใจเรียนพระกรมมฐานที่บรมุขบัญชาญเคยสอนมาเรียนหยังบันเจส้าโรมานาคาดันตาตะโจตะโจดันตานาคาโรมาเจสาคนเขาติดจุ่ผมขนเล็บประเนติติดกายอยู่นี่แหละก้อนกายก้อนโบก้อนน้องเป็นจังววาแล้วเด็กมันอุบัิหายของไตมันนั่ไปเลยเก็บแขงจุดหาเข็มไ กายมันจะเก็บเป็นยังไงนีน่เอาพุกกรรมฐานไปพิจารณาเริญนกรรมฐานเป็นเพื่อสิถะฐานที่ทนั่นนี่ละสังทุดละนั่นละนี่ถามไปหมดหลวงปู่ก็ตอบไปหลวงปู่มาเรียนขอให้เรียนยังเดียวขอให้ลมเห็นลมน่ม ก, กับพ่อแล้วเรียนดถบ่สิ้นสุดดรอกไม่ปฏิปิโกของพระเจ้าของพระเจ้าเน่ยเป็นของแกความเด้ไปทอนก็ได้หมดนี่ไม่ปฏิปิโรแต่มาเห็นไรพ่อพัอ เลียนได้แต่ว่าเห็ดเ่อได้สินีปป้ประโยชน์อะไรผมขนเล็บฟันหนังเต็มไปด้วยของไม่สะอาดตามขั้มตรวจกวัวนใหน้พิจารณาเห็นตามนี้ว่ามันเพ่สะอาดแท้แต่ที่เได้รู้หราภุมงเฟย้ยเปี่ยงก๊สตัวปัจจัยเงิน่นเดือนเป็นแสนเป็นหมื่นกับพ่อใส่ก็ย้อนนี่เพื่อเมนย้นอนร่างกายเพื่อเมนปัจจัยแป้งที่เสียเพื่อเนื้อให้อาหารใจจังเสียเพ่อกับเทียบให้ฟังและมุ่งกิน ก็อย่างในน้าอื่นเห็นแน่นผักทำตรงนี้ลงไปงจั้งแตหายสงสัยบางร่มบางนาอื่นว่าหายสงสัยของใจยุ่เพราะนั่นแเมตตากรุณามมติต า, าเอเไปขาแปวางไหนหลวงปู่น่ะอันที่ถามก็ไปไมันทีฟังก็คือเขานะันน้มันจะคองปูมีเมตตากรุณามมติต า, าเอเไปขาว่อยว่าง เมตตาตนตัวเขาตัวเล่าของเขาของเฮ้าน่นกรุ้หน้าเมตตาก็คือบวกล้าป่นกล้าขี้ขาขาาตีขารอขาล่วงกล้าปิ้นป้อนกล้าไอ้ยังต่างๆบวกล้าเฮ็ดรเ้ไปขากับป่อยว่างคือเห็นงูกินเคียดติไปขางูหัวขาเคียดซอยงูหัซอยเคียดแล้วซอยเคียดงู่ไปด้กินงูถึงตาย ทั้งหลาุปเปาขากับปล่อยว่างกรรมของเขาเคยู้เคยเจ็ยนเคยข่ากันกับไปทั้งสันแบบปล่อยว่างเพราะฉะนั้นบางครูบางคนเราลงพูดว่าเลี้ยงหมาคือตีหมาอะไรหมาไลหมาออกจากวัดนี่เมตตาอายุกับภูมิภพของขาเจ้าวันเลี้ยงก็บทั้งบ้านทั้งโลกเป็นเรื่องของขาาุนว่ายเข้ามาไปอ้ยกอม้าก็เป็นจากพระแล้วเห็ุเขาก้นบาตเดียรหลาย หมาเขาก็ดังดิ้มก็เขาไปวัดตัวก็เลยบอกไปตัวจะไปเลี้ยงอทั้งนอกก็จะเขาว่าเป็นศาสตร์หมากันเมตตาเขาอีกสงสารเขาอีกมันเกิดมาจากในโลกเลอาไปเลี้ยงหมดตัวจังง่วมีอักติเพราะจังง้มีอคกติคือเลี้ยงตะโตมันง่ามโตปังง่ามกูบอกเลี้ยงนี่เมตติในใจดิบนั่นโทเฮต่างได้บปต้งตามเขา พุ่มพบของเขาน้อกรรมของเขาเนี่ยก็มาเน้นของเขาจะจะไปจะเกิดเป็นหมาก็เพราะทำก้มดีก็นั่ว่ากรรมของเขาก็จะติไปเห็นกรรมว่าเนี่ยแต่ละสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมิจฉาพ่าสัตว์โลกว่ามันตะค้นมีจฉาพิเศษสัตว์ตรงนี่ไปก็ไปมึไก็ไปว่างไปโอ้กรรมของเขาเนาะก็เมตตาอยู่ทั้งใจ ถันอยว่าได้คเจ้าสั่งมาเจ้าจังเป็นทั้งท่านสามาเล่งเจ้าของใเฮ็ดดีนตัวฉันจะไปยุ่ทั้่านเฮ็ดคือเอาไปมัดไปเลี้ยงเดี๋ยวเาางขู่งก้นไปยึดถือหลไไปหาแพหาเรือไรหัวเขาต้มเขาเลี้ยงยืมน้หนทางมจเลยไปเลี้ยงจนราวางกฎหมายมาแล้วเจะเหมือนมันจเก็บทะเบียนฆ่าทะเบียนน้ำหมาเน ก็ทำเมียตาเขาสักพิเศษสักพ <dice> ิเศษแบบง้วคุยแบบนั้นเสร็จังแต่นั้นก็สักกตัวมันแต่ถ้าก <ust> <ots and rak et> ้อนหนึ่งตะลุกสงสารเขากินแห้งหรอมากินขาเขาอีกปัดหาว่ากินียังมันกัดคนตีแนะก็บอไม่กาตีนใหใส่พราะมันแต่ก็ร้ายมาเท่านีล พวนานั่นล่ะพุดโ่อดิบางท่านบางลูกพระนามกัมับคาลมหายใจเสือมันเป็นรักสองจางไปเดี่ยวไปัเบิงพุดโธกับลมไนหนึ่งบี้ไว้เป็นเดียวดิหนึ่งไม่มีสองดิพระเจ้าอันเอาพุทโทว่าพุโทจะจะปเบิ้งลมอันเอาลมกับเบิงตลมอย่างเดียวเพือเป็นการบีบใจของเขาไ้เผอในุทโทบางทีพุโทพุทโทแต่ว่าลมสติจไปส่เราบบัน ป่าค้นว่าได้ยุตแต่ว่าสติไป็สบัดมันสําคัญตัวสติในรูปเท่าการเคลื่อนไหวของลมคือบางครั้งนีู่่บางคนเราสวดมนต์ได้หลายดีบุญบนองค์ภูได้บุญยุตแต่มาค้นะระเบิเพลกับทำสมาธิแตน้องร้องสวดได้หลายมือลูกจีข้ารั่งได้บัดเฮ้ยสวดมนต์หนแล้วนั่นน้อค้นระย่างกันนี่นั่งสมาธิกับสวดมันเป็นแซลล์เซห่วงตัวเดียวมดต์ภูนั่น เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระทตัรูด้วยการสวดนะโดยการจุดนี่เอาคำของพระเจ้ามาสอนมึงดูพก็แปรมึงดูดีฟังคว่ำพระกันตั้งคนตั้งใดนั่นแหละผลพระเฮตเสียนตำล่าเมื่อเสียพระเจ้าประสงค์ผู้บาอาจารย์นักศคกอากันตั้งคนตั้งมีก่อนจิตที่ก่อนหน่อยก่อนไนยผู้ใดได้สูดเดือเขียนอันมาด้กเขียนไปไม่เขียนไปไม่จนวัดแปมาพระไดไปร้อกศีลของพระเจ้าพอถึงสองรย่ิบเจ็จะมีตัวมันเขาจะเอาสื่อติองนั่นวัดนั มิเชลร้อยหาซิฟคอหาซิฟคอาปาเป็นตัน เ, เนี่ยเห็นบ่างเหรอแต่พู้เสียกันยังเสียแต่ดได้เป็นมู่เป็นพวกกันยังมันนั่งพิ่งพื้นยุติธรรมสว่างเลยว่ามันจากไปจากนี่ถึงพระพุทธเจ้าให้เชื่อพระไม่เชือ่อไม่ให้เชื่อหนังสือตำราไม่เชื่อได้ยินแต่ข่าวเล่าลือมาไม่เชื่อที่เขาพาทำมาเนี่ยเขาบริกานกองจุูนี่ได้บ้างแล้วเขาพาทำ ม, มาคือยังไงเขาเล่าลือมาคือยังไงเอาคือยังเขาจับ นั่นคำนั่นแอะยังสิ่งมนเด้ว่าทางไหนสันนั่นคำบวชมาแล้วได้แต่สรู้เป็นผู้เจ้าแล้วเห็นภพชาติของตนเองอย่างน่นอย่างนี้ออกไปมากกวอยากจอดเงินย่อมไปนระเพาะยังพอค่วนเสียเขาได้คิดกั้นไก่ขวนกันกองเดาก็เสียเขาเอาดอกไม้ไปปวยยางมุ่นเดาจนเราเมาเราเรื่องไปหาให้พระยางแต่พวกนึงก็ไปหาไปปูซาอันนี้ติถูกต้องจั่นะ จะว่าเงวบันถะึงว่าหลงพ่อหาติหาตินี่เขาบอกสู้ฟ so ังในวันว่าวเห็นเสียทั้งว่าเลยเหตุเพศผลเขาบ่กกั้นกองด้วยการปฏิบัติเขาบอาอย่างเสียเขาบอกอย่างเสียเอาเห็ุมาจากไหนเสียเสียจะว่าเจ้าหน้าที่ไปจับเขได้ก็หมอบชุดขาวถือศิลออามาเขาไปหาพระก็เห็นได้บมด ก็เห okay. ็นผลของพูเจ้าโอ้หดูเจ้าพูสอนหนึ่งมีปัญหาคนถึงมีปัญหาไก็เพราเห็นน้ำพระพุทธเจ้าเอาก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวต้องปูกันยังไงต้องสัญญากิก